เทนาแันที่76ลงดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุตรดธานีแสดงธรรมในวันที่26พฤษภาคม2558มีชื่อเรื่องว่าครึ่งบุญกุศลตนเอง วันนี้เป็นวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2558วันนี้ท่านผู้การบุญสืบท่านพลโทท่านเป็นเจ้ากรมทหารอากาศท่านเกษียณมาแล้วรู้จักหลวงพ่อมาตั้งแต่เป็น 10, 10ปีไปมาหาสู่ ถ้าหลวงพ่อไป ม, มากรุงเทพบางทีหลวงพ่อมองกรุงเทพกันนะท่านก็ไปหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านไปพาลูกน้องบริวารของท่านไปพักที่วัดหลวงพ่อบางไปวัดที่วั ด, วดหลวงพ่อสดโดยมากเป็นวัดหลวงพ่อโสดมากกว่าเพราะว่าวัดหลวงพ่อโสดนั้นสงบวัดหลวงพอ่อเนี่ยรู้สึกว่าคนจะผูกพันวุ่นวายคนมากก็ไม่เคยขาดปีหนึ่งหลายครั้ง แ, แต่ ข่าวนี้ท่านก็อยากจะทําบุญบ้านเมื่อการทําบุญบ้านเมื่อกี้เนี่ยพวกเราก็รู้ว่าท่านได้ทำ <c oughs> ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปคระคุณเป็นปวงสาคนาญาติหรือว่าเป็นพ่อตาแม่ยายหมู่เพื่อพวกเพื่อน <c oughs> ที่ได้ล่วงรับดับขันไปที่ท่านผู้การลําลึกคิดถึง ว่าดวงวิญญาณถ้านหลวงนั้นจะไปนัสถานที่ใดอยู่นั่นสถานที่ใดพวกรู้พวกเราอยู่เบื้องหลังก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ถ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระหานทศพวกท่านมีญาณรัตนะท่านมีฌานท่านมีความรู้พิเศษเซนพิเศษท่านก็จะมองเห็นได้ว่าอื้งดวงวิญญาณนี้ไปไหนออกจากภพนิชชาตินี้เข้าไปไหนท่านจะมองเห็นได้แต่พวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อพ่อแม่ผู้ญาตายายญาติมิตรสหายของพวกเราล่วงรับรัพปันไปก็มีแต่อุทิศส่วนกุศลให้ถ้าหากว่าดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราถ้าว่าท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือความปรารถนาของพวกเราที่ทําบุญอุทิศส่วนกุศลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ที่หลวงพ่อเองได้ประสบปการมา เ, าเล่าเล่าให้ลูกหลานได้ฟังนานๆหลวงพ่อจะเล่าที่เนึเอ่องมันเกี่ยวกับนี่แหละเรื่องการอุทิศส่วนกุศลนี่แหละถ้าก็เป็นคนอื่นหลวงพ่อก็จะไม่เล่าี่เป็นหลวงอาโยมอานะโยมอาของหลวงพ่อนะออคือหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกพี่ชายคนโตของตระกูลเปนพี่ชายสูงสุดมีพี่น้องอยู่หลายคนนะ คนโราณก็มีลูกหลายคนเนรวมถ้าถ้าคนตายด้วยก็ประมาณสักสิกว่าคนน่ะแต่ยังเหลืออยู่ประมาณ 8- ปหรือเคนในช่วงนั้นที่โยมย่านะต่อมาหลวงพ่อเนี่ยเป็นโยมพี่ชายใหญ่ต่อมาก็ออกจากหลวงโยมพ่อก็เป็นหลวงปู่จามนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลานของหลวงปู่จามนะกนัชตาญาติโยมลูกหลานโยมพ่อเนี่ยเป็นพี่ชายของหลวงปู่จามหลวงปู่จามพศ๔๔ปีพึ่งมรณะภาพไป เมื่อสองเมื่ อ, อปีให้หลังเนี่ยพวกเราก็ได้ไปพระราชทานเพลิงศพชรีระของท่านาแล้วจากนั้นก่อนี่ละต่อมาก็ชื่อว่าแจ็คแต่คนโบราณเขาจะาจะใช้ตัวจอกันนะแต่โยมพ่อของพ่อนชื่อนายแดงนะแต่หลวงปู่ต่อมากันนะอจะลูกไอ้จามปู่จามแล้วก็แจ็คแจ็คแล้วก็จ้า เออเจียงจูมลักษณะอย่างนั้นแ่ะคนโบราณนะมีแต่ใช้จอจอจ อ, จอไปเรียกง่ายดีนะเอ่อทนี้ก็ลุงแจ็คเนี่ยเป็นคนที่สามของตระกูลแต่เป็นคนเอ่อแต่ถ้ า, ถ, าถ้าจะว่าไปแล้วก็ <c oughs> เป็นคนขยันเอ่อแต่ว่าการงานรู้สึกว่าเชื่องช้าลักษณะอย่างนั้นละ่ะต่อมาท่านก็ไม่ได้แต่งงาน แต่หลวงปู่จามก็ไม่ได้แต่งงานเหมือนกันมียงพ่อแล้วก็ต่อมาก็น้องๆอแต่งงานกันหมดแล้วท่นเอต่อมาหลวงเจ๊กเนี่ยก็อาศัยพ่อพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็อาศัยเนี่ยผู้ใหญ่จูมเนี่ยผู้ใหญ่จูมเนี่ยก็หลวงตามหาบัวพูดถึงบ่อยนะเอที่ว่าผู้ใหญ่จูมเขียนหนังสือเขียนหนังสือจดหมายมาหาหลวงตามหาบัวเก่งกระจุกกระจิก ออพอมาหลงตาไม่รูกเขียนอะไรเ่าจับยัดใส่กระ บ, บอกไม้จิยมฟันของท่านครับหลางๆวันร่งขึ้นหลวงผู้ใหญ่จูมก็เป็นที่เป็นอาของหลวงพ่อเนี่ยเขามากราบหลวงตาท่านอาจารย์ครับผมเขียนจดหมายมาเมื่อวนันผมเขียนด่วนมาโผมเขียนรีบครับแต่ท่านอาจารย์จะออกอ่านออกหรือเปล่าครับที่ผมเขียนมเมื่อวานเนี่ยเฮ้ยทำไมจะไม่ออกหลวงตาพาบวาัดนะ อ่านให้ผมฟังได้สิบท่านอาจารย์อที่ผมเขียนเนี่ยผมก็เขียนรีบนะหลวงตามหาบัวก็จับขี่จับมาอ่านว้าว้าวว้จุมลวงตามหาบัวว่าอย่า ง, งนะั้นนะใครจะไปอ่านออกเขียนกขยุขยักภาษาเจ้าเองท่านก็เลยจับขึ้นมาวะาวะววว้จุมเห็นแต่จุ่มอยู่ข้างล่างเนอะผู้ใหญ่จุ่มว่าอย่างนัะ อนันก็หัวเลาะกันเนี่ยนี่ท่านยังเอามาเล่าอยู่บ่อยๆนี่เออหลวงหลว ง, งตาของเราตรงตามหาบัวนเนี่ยถ้าใครฟังได้ได้ฟังวิทยุนเนี่ยได้ยินเน่ะผู้ใหญ่จุ่มน่แหละคือโยบอาของหลวงพ่อแหละจากนั้นก็แม่ชีเจียงโอ้บวชมันตั้งสามสิบสี่สิบปีโยบยาของหลวงพ่อกระบวชมาตั้งสามสิบกว่าปีนะสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเนี่ยเป็นตระกูลนักทักพรตนักบวช ไปหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสามาโปรดสมัยนั้นอะ่ะแต่เนีมาพูดถึงลวงแจ๊กกว่านีลวงแจ็กนี่ยเขไม่ได้แต่งงานอยู่กับผู้ใหญ่จูมบ้างอยู่กับคนอื่นบ้างอยู่ไปอยู่กับโยมพ่อของหลวงพ่อบ้างนานๆแต่คนขยันนะจากตอกสารตะกง่งสารตะก้าได้เงินมาสมัยนั้นกัทีละสองสามบาท ต, ตะก้าไว้ถึงนะ เ, เข า, า, ขาแต่มาขายถ้าขยันขายแจกให้ลูกให้หลานเหมนกนนะ ต่อมาโยมจุงเจ๊กเนี่ยก็อายุประมาณสักเกือบเจดสิบมันท่านก็ได้มรณะลงไปตายลงไปพอตายลงมาแล้วกับผู้ใหญ่จูงก็ตายจากนั้นก็น้องแฟนเมียของผู้ใหญ่จูงก็ตายพอตายเสร็จแล้วท่นเองเขาก็ทําบุญทําบุญเป็นทีละคนละคนท่นเอแล้วก็พี่ผู้ใหญ่จูงเนี่ยตายทีหลังพอตายทีหลังเสร็จแล้วเขาก็ทําบุญ วันนั้นเขาก็ทําบุญอย่างอย่างพวกเราทําบุญอย่างวินวันนี้แหละอพอทําบุญก็เลยเอาไหว้พระสมาทานศีลถวายทาน เ, เขาเขาจะาหว้ทานเขาก็บอกว่าอขอให้ผู้นายจูมผิวขำนางดวงผิวขำให้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกลูกหลานญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตกทุกข์ในพ้นในทุก ให้พ้นจากทุกมีสุขแล้วให้มีความสุขเจ่งๆขึ้นไปพูดอย่างนั้นแหละคืออย่างพวกเราถวายทานแต่ลืมลืมระบุถึงลุงแจ๊กปั่นไม่ได้พูดถึงลุงแจ๊กที่เป็นที่เป็นลุงที่ตายไปก่อน่ะแต่อยู่กับเขามาตลอดไม่ระบุถึงมาพอเสร็จแล้วท่านเองก็พ่อพระพระก็ให้ศีลให้พรเ่ยพอให้ศีลให้พร เ, เ, เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ให้พอนก่อนเออลงไปทานอาหารเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ท่านโยมผู้การพูดเมื่อกี้ในว่าท่านอาจารย์จะให้พอเออเดี๋ยวให้พอนทีหลังก็ได้เราให้พวกเราไปทานอาหารจะก่อนเดี๋ยวขึ้นมาหลวงพ่อพูดอะไรให้ฟังแล้วก็ปรมน้ําพระธมบลัเสร็จแล้วก็ยังค่อยให้ศีลให้พรพร้อมกันไปเลยเนี่ยข่าวสุดท้ายแต่ว่าพระของท่านวันนั้นอ่ะพอถวายทานเสร็จแล้วท่านก็ให้พรเลยทะนี้พอให้พล้วก็เอาไปทานอาหารเนอะถ้าจะทาญาทโยม สัทธายาจรองกลงไปทานอาหารแต่มีโยมคนหนึ่งเท่าเออเป็นคนหนุ่มเป็นลูกเขยมาจากนู่นนะมาจากจังหวัดอุบลเทนั้นมาเป็นลูกเขยบ้านนั่นน่ะมาแล้วมานอนคว่ำหน้าอยู่ข้างข้างพระหนยข้างๆอยู่ตรงนั่นหน่ะแต่คนนั้นมันมันไม่น่าไม่ไม่น่าจะนอนอย่างนั้นหรอกนอนนอนคว่ำหน้าพอนําคว่ำหน้าเสร็จแล้วหมูลงไปทานอาหารพอลงไปทานอาหารเสร็จแล้วไอ้ไอ้ชายคนนั้นก็คว่ำหน้า ความน่าเขาก็เรียกเอ้ยเขาก็ เ, เรียกเชื่อไม่ไปทานไปกินข้าวไว้ไมาใชยไปเคลื่อนมาเองเอ้าไปทาไมไม่กินข้าวเข <c oughs> าว่าคือผีผีลงแจ๊กเนี่ยเข้าไปสิงสำคัญเถอะเอผีลงแจ็กลงแจ๊กเนี่ยเข้าไปสิงเขาแล้วนัรนไปเขาลืมตัวแล้วไม่มีอะไรเขาไม่รู้อะไรเอ่อทีนี้ก็คนก็เอ้าดูดูอ่ะไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีสิงแล้วเดี่ยไอ้ขวานนะด้วยมันผีปอบเข้าทีนี้น ค น, คนชาวบ้านเขาเน่ยอยทีนี้ก็เรืกันอนคว่ำหน้าและถมน้ําลายไปทางหน้าคือไอ้ลุงแจ็กนี่นะถ้าหาว่าโกรธใครก็ตามนะถ้าหาว่าลูกหลานจะรู้เลยว่า ล, ลุงปู่เจ็กนี้ค้าโกรธมากเลยเขาจะถมน้ําลายไปทางหน้าแล้วก็นอนดีดขาเออดีดขาสองขานี่ดีดขาแล้วก็ถมน้ําลายเอออันนี้คืออาการของโกรธของลุงแจ็ค น, นี่พวกลูกหลานจะรู้เลยเหมือนกันนะ ว่าตนี้พอเคลื่อนวานี่ไอเห็นคนแล้วน่ะนอนไปข้างหน้าถมน้ําไายแล้วก็ดีดขาสองข้างเนี่ยตับตับตตับๆ้องงั้นไอคนหนึ่งไอเป็นหลานนะเป็นหลานจะเป็นหลานไม่ใช่ลูกของพ่อใหญ่โยมนะลูกนะอ้าวอันนี้ไม่ใช่ลุงแจ๊กเหลือเนียวงั้นสงสัยลุงแจ๊กเข้าสิงเลยเนี่ยลักษณะเนี้ัยเพราะว่าท่านนะไอ้โกนี่แหละว่างั้นนะแลุงแจ๊กว่าไอโกนี่แหละ อ้าวลวงเจ๊กทมมาา์ทำไมมาหาสิงเขาลลอย่างนี้ล่ะทําไมมาหาสิงเขาล่ะลวงอีดวงกันอ้าวท่นไอ้กูเนี่ไม่พอใจกับลูกกับหลานอย่างมากเลยท่านเนพราะเหตุอะไรเอ้กูยังไม่พอใจ ก, อกูเออก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมีอะไรกูก็ช่วยเหลือลูกหลานอยู่เวลามาอย่างนี้แหละมันพูดแต่ถึ่งผู้ใหญ่จูมกับอีดวงมันไม่พูดถึงกูเลย <c oughs> <c oughs> เออไม่ระลึกถึงกูเลยอหมือนกัน มนพูดได้ยังไงแต่ให้กูอดกูอยากกูไม่อดไม่อยากไม่อยู่ไม่กินแต่กูเสียใจกับลูกกับหลานไม่เลยรึกถึงบุญคุณของกูเนี่ยเอาเส่นเนถอะเออใครครับสมัยไอ้คนแถวนั้นเขาเรียกว่ากูเนะกูเมืองเหมือนกันเถอะแต่คนจะ พ, พูดกับลูกหลกานเนี่ยไอ้คำว่าใช้อใภาษาพ่อคุณลามเหมือนกันเถอะเออแต่เนี่พวกลูกหลานอะไรโอ้ยยอมเลยลงไอ้ต่อไปจะไม่ให้มีอีก อต่อไปจะไม่มีอีกไอ้ลุง เ, เออออกซะนะลุงนะอยอมละยอมยอมทุกอย่างละไอ้ลุงนะเอออย่าไปโกรธให้ลูกให้หลานนะลูกหลานยอมสรภาพผิดทุกอย่างละบกพร่องไปละขานี่ยอมสรภาพเ อ, อจ้าต่อไปจะไม่ให้มีอีกลูกนะไอ้ลุงเน่าเสะนะพอว่าเท่านั้นเท่ากันหายเงียบก่อมลาลงไปเขาก็ลุกโผล่วกไปเลยกันว่า ผมเป็นอะไรเข า, าอ๋อไอ้ลุงแจ๊กเข้าสิง เ, าเอาจากด้านมากันเลย <c oughs> บ้านห้อยทรายเนี่ยนะเวลาเขาจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลเทิงใครเนี่ยเขาจะพูดยาวเหยียดเลยทีนีเ้เรียกชื่อบัญชีหางว้าวเลยงั้นเถอะอคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเหรอเนี่แหละมันก็เป็นของแปลกเหมือนกันนะถ้าหางว่าไม่ใช่หลวงอ่าหลวงพ่อนะ่ยหลวงพอ่อจะไม่มาเล่าให้ฟังเราเนีนนะ่ย อันนี้พวกโกูกหลานไปในวันหนึ่งทรายเขาบอกโห้ยจริงเลหลวงพ่อเลยว่าจะได้ไหลวงอาหลวงจุ <c oughs> ลหลวงเจคเหมือ น, นนะ่นนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการอุทิศส่วนกุศลอย่างท่านโยมผู้การท่านในธรรมบุญในวันนี้ก็ร ะ, ะลึกถึงบอกกล่าวถึงผู้มีพระคุณสําหรับตระกูลของพวกเราอย่างที่พวกเราได้ทําอันนี้คือการอุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนทั้งหลาย อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศล <c oughs> เป็นทางที่ถูกต้องแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อไปพูดณสถานที่ใดหลวงพ่อจะเน้นย้ําอยู่เสมอว่าพี่น้องสัตยาญาติโยมลูกหลานตายแล้วไม่ศูญตายแล้วเกิดอีกอันนี้ให้ฟังเอาไว้ในเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราอย่าไปมุ่งหวังว่าให้คนอื่นทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เราบางทีเราฝากเงินไปซื้อของยังตกๆหล่นๆ ยังยักยอกเงินเราไปอีกในเมื่อเราตายไปแล้วจะให้ลูกหลานทําบุญุทิศนกุศลให้นะมันยากนะลูกหลานน ะ, เ, ะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะประกอบคุณงามความดีอะไรจะรักษาศีลอย่างไรจะให้ทานอย่างไระจะภาวนาอะไรจะปฏิบัติอย่างไรกับตนเองประกอบคุณงามความดีอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เรียบรีบทำมาซะถึงที่เป็นประโยชน์เพราะการ สร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่จะให้ทานอย่างเดียวนะจะเป็นบุญกุศลไม่ใช่รักษาศินไม่ต้องเสียสละอะไรมีแต่สารวมกายวาจาของเราเท่านั้นแหะเป็นศินถ้าว่าสํารวมใจอย่างหนังสือหลวงพ่อจะแจกในวันนี้นะเนี่ยกุศลอันยิ่งใหญ่เนีกุศลอันยิ่งใหญ่คือจิตภาวนาเนะนี่ยแหละอันนี้ก็คือเราภาวนาอย่างเดียวเท่านะั้นยิ่งใหญ่กวากุศลทั้งหลายทั้งปวง เพราะนั้นให้พวกเราอ่านดูซิว่าการภาวนาในการปฏิบัตินั้นทําตนอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรที่ทําสมาธิจะเป็นจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปหวังอย่าไปตั้งความหวังไว้กับคนอื่นลูกหลานญาติพี่น้องทําบุญให้กับเราให้เรายังเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้แหละทียงไหนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลให้พวกเรา ทำเอาเองไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นเป็นบุญเป็นกุศลนะคณนะสัทยาญาติโยมลูกหลานนะอย่ามองข้ามนะอันนี้เที่ยวว่าพระหันอยู่ในบ้านของเราคือพ่อแม่พระคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วนะเราจะมองข้ามไปไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุล ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพบหมอระดกเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบุตรที่ดาทุกคนอันนี้ก็คือเป็นบุญเป็นกุศลนะถ้าหาว่าใครปฏิบัติถูกปฏิบัติเป็นธรรมกับพ่อกับแม่มีแต่ขนทางขนทางมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวถ้าหาว่าไม่มียุกใดสมัยใดไม่มีพระหันไม่มีการทําบุญ เขาเหล่านั้นเขาคนนั้นคนคนนั้นปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่ให้ถูกต้องเป็นธรรมเขายังไปสู่สวรรค์ได้นะี่พระพุทธเจ้ารับรองถึงขนาดนั้นคือให้ระลึกถึงพระคุณ บ, บุคคลผู้มีอุปกราระก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไรกับผู้มีพระคุณท่านเหล่านั้นทั้งสองท่านนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบุตรทิดาของพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ มีพ่อมีแม่อันนี้คื อ, คอการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดมีมากหลากหลายที่พวกเราจะต้องทำแต่พวกเราให้ทำเอาไว้ก่อนตายจะดีกว่าเมื่อตายไปแล้วให้ลูกหลานญาติพี่น้องทําส่งให้ทีหลังส่งผิดส่งถูกเราไม่นลูกไปที่ไหนอีกต่างหากแต่ถ้าว่าพวกเราทำสมัยยังมีชีวิตอยู่นั่นน่ะดีที่สุดอย่างองหลวงตามหาบวรท่านถ้าเราพวกเราได้ฟังธรรมเทศนาของท่าน ท่านบอกว่านี่นะเราทำเอาพอแล้วสำหรับเราเราพอแล้วพวกท่านทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วไม่ต้องมากุศลาให้เราไม่ต้องมาให้บุญเราหรอกเราพอแล้ว น, นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายควรจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อว่านะให้ประกอบคุณงามความดีเอาเออสิ่งไหนเป็นจุดความสามารถของเรา เ, เมื่อเราเป็นครวาสเราก็ทำหน้าที่ครวาดให้ดีที่สุด อรักษาศีลให้ทานปฏิบัติธรรมตามสมควรอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปถ้าบอกว่าพวกเราทําได้อย่างนี้นะจิตใจของเราจะมีหลักจิตใจของเราจะเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของเราจะชุ่มชื้นชุ่มฉ่าด้วยธรรมะอยู่ในจิตในใจจิตใจจะไม่อับเฉาเอเศร้าหมองอจิตใจของเราจะอมีแต่ความ สงบพร่มเย็นเป็นจุกจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาสืมเศร้าเพราะไรเพราะมีคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีมีแต่ทำหน้าที่การงานมีแต่ส่อแสวงหาทรัพย์เงินคำทรัพย์สมบัติอยู่ตลอดเวลามีแต่ความต้องการเงินเงินอยากอยากอยากนะี่จอยู่ได้จิตในใจ แล้วเมื่อเราได้มาแล้วเงินได้เงินมาแล้วเราเอามาใช้อะไรเราเอามาซื้อปัจจัยสี่เอามาซื้อสิ่งของอำนวยความสะดวกให้กับเราซื้ออาหารซื้อผ้านุ่งห่มซื้อยาแก้โรคภัยไข้เจ็บสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยให้รับปัจจัยที่ได้มาเราเอามาใช้อย่างนี้เป็นส่วนมากอันนี้ก็คืออาหารเราสะสแสวงหาอาหารทางกาย แต่ทางจิตใจนะั้นพวกเรามาอย่างวันนี้นะมาทำบุญในวันนี้นะแต่มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเราทำบุญให้กับใจของเราแต่เราเขามาก็อา้วาวไหวพระสวดมนต์รักษาศีลสมาทานศีลปฏิบัติกายวาจาให้เรียบร้อยจากนั้นก็ได้ทำทานจากนั้นก็ได้ฟังโอวาทของหลวงพ่อได้แสดงให้ฟังอันนี้คือพวกเราเข้าใจในธรรม ในเมื่อพวกเราฟังได้เข้าใจแต่ละครั้งแต่ละโหนครั้งนั้นบางครั้งนี้บ้างไปพบที่นั่นที่นี่บ้างแล้วก็เราก็สั่งสอนบุญบุญกุสศลที่เราได้ยินได้ฟังเข้าสู่จิตใจของพวกเราจากนั้นพวกเราก็นําไปประพฤติปฏิบัติท่านสอนให้หนั่งไหว้พระเราก็ไหว้พระเราสอนให้หนั่งภาวนากันนั่งภาวนาสวดมนต์ในเมื่อเราทําอย่างนั้นใจของเราเนี่ยจะเป็นพลังจิตใจของเราจะมีหลัก ใจิตใจของเราจะไม่ว้าเหวอ้างวางเงียบเหงาซึมเศร้าเราเราลึกขึ้นมาเมื่อไรใจของเราก็เย็นสบายมีความสุขแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่จตสะสแสวงหาทรัพย์นะถึงจะร่ํารวยขนาดไหนก็เถอะ เ, เมื่อถึงคราวสุดท้ายขึ้นมาแล้วใจิตใจของเราจะว้าเหวีอ้างวางเงียบเหงาคิดถึงไข่คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนที่เขาทำไมไ ม, ไม่ไม่มาช่วยเรา มันถึงคราวนั้นแล้วเป็นเครื่องเรื่องของใครของเราละ่ะใครช่วยใครไม่ได้ละ่ะมีแต่รอมีแต่ ต, อตอนเองช่วยตนเองเท่านนะ่ะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่ า, าอัตหิอัตโนนาโถตนแหลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถรโรซิยาใครเอิใครใครือ ค, คนอื่นเลยจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้ในขราวเช่นนี้เราต้องเป็นที่พึ่งของเราเพราะนั้นพวกเราจะพึ่งใคร เมื่อข่าวเช่นนั้นถ้าไม่พึ่งบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจมันไม่มีที่พึ่งนะจะไปพึ่งวัวพึ่งสัตว์ลาสิงพึ่งบ้านพึ่งเลื่อนพึ่งผีพึ่งน้องพึ่งลูกพึ่งลานพึ่งไม่ได้ทั้งหมดต้องพึ่งคุณงามความดีต้องพึ่งบุญกุศลแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเราจะพึ่งอะไรจิตใจจะว้าเวนะเหมือนกับเลเรือ เคว้งขว้างอยู่กลางทะเลนั่นแนหะแหมมันไม่มีที่เกาะที่พึ่งว้าเว น, นะขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่นะแหมแนะนําให้ฟังให้ฟั ง, ใ ห, ฟงให้ศึกษาเอาไว้ในหลักนี้แหละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนออถ้าตายแล้วสูญนะลุงเจ็กกัคงจะไม่เข้ามาเข้ามาสิงคนต่อหน้าคนทั้งเยอะแยะแหม อ น, นี้ตายแล้วไม่สูญวิญญาณ น, นามธรรมตัวนั้นมันมีหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้กับพวกเราคณะจตห า, ายาตโยมทั้งหลายได้ฟังว่าร่างกายของเรา เ, เหมือนกับรถแต่จิตใจ เ, เหมือนกับคนขับรถคนขับรถนะ่นเมื่อร่างกายมันหมดสภาพรถมันแก่รถมันหมดสภาพเราจะไปขับรถคันนั้นไม่ได้แต่ใจของเราเไม่มีไม่มีคำว่าแก่นะ ใจแก่ไม่มีมีแต่ว่าใจก็คือใจเออแต่ว่าใจของเราเนี่ยเอสมมติว่าเราจะทาเรายากจะทำอยู่แต่มันทำไม่ได้เพราะร่างกายเราไม่ให้แต่ใจของเราเนั้นยจังหนุ่มอยู่เสมอเอออย่างหลวงพ่อเดียวนี่เหมือนกันหลวงพ่อมองดูเลยหลวงพ่อเนี่ยเอ่อใจของเราเนี่เออยากจะทำด้วยเท่านี้แต่ร่างกายมันไม่ไหวละมันใช้มันมันมันมันมันใช้ร่างกายไม่ไหวแล้วเนี่ยเหมือนกับโซเฟอร์เนะ่ะถึงจะฝีมือ เฮี่ยมหานขนาดไหนรูหมดทุกอย่างแต่ว่ารถนะมันไปไม่ได้เพราะมันรถมันเก่ามันค้ำค่าแล้ว เ, เวลามันไปกับไม่รู้ว่าล้อจะหลุดคันท่งจะหลุดเบรกจะหลุดเบรกจะแตกมันเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะรถมันแก่นี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยมันแก่แต่ใจของเราเน่ยไม่แก่นะหนุ่มอยู่เสมอจิตใจของเราอยู่ในร่างกายของเรา นี่แหละเมื่อออกจากรถคันนี้แล้วนะ่ะร่างกายของเราจะไปที่ไหนที่นี่อถ้าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้คิดเรื่องบุญกุศลเอาไว้โซเฟอร์คนนั้นก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็คือไม่มีบุญโซเฟอร์ไม่มีบุญก็เหมือนโซเฟอร์ไม่มีเงินในเมื่อออกจากร่างนี่แล้วเนี่ยโลกโซเฟอร์จะไปที่ไหนคนไม่มีเงินเอผลที่สู่ก็นั่นแหละออกจากร่างไปเกิด เป็นหมูหมากาไกา่เป็นสัตว์ที่ไร้ฉันไปตกนรกหมกไหมตามบาปกรรมที่ตนได้กระทำไว้นี่แหละเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, า, าญาติโยมโลูกหลานทุกคนตรงนี้ต้องคิดดูให้ดีในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทาอย่าคิดอย่าพูดอย่าทาในเรื่องนั้นคิดทำพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เพราะว่ากรรมชั่วพวกเราเนี่ย โซเฟอร์เนะี่ยทำทำกรรมทําได้สองทางนะการกระทำโชโซเฟอร์เนะี่ยคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วนะคิดยังไงโลภอยากจะได้ของเขาพระยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองคลองทำอันนี้คือโซเฟอร์ในความคิดนะใจคิดนะอันนี้เรียกว่าทำกรรมทางใจ โลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเมื่อโลภขึ้นมาแล้วน่ะเออความโลภเนี่ยไม่มีไม่มีใครห้ามปานอะไรโลภพอโลภขึ้นมาก็ได้นะทางเบียดทางบังทางคดทางโกงทั้งฆ่าท้งจีท้ท้งป้นทั้งอะไรทําได้หมดทุกอย่างพอโลภพรออยากจะเอามาเป็นของตัวเองนี่แหละโลภอยากได้ของเขาพยาบาทเห็นเขาได้ดีก็อิดฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเขาอีกอันนี้เรียกว่า อิจฉาหรือพยาบาทโรอยาไรของหนึ่งพยาบาทบอกเรเห็นผิดจากทำนองครองทำตัวนี้กว้างขวางเห็นผิดจากทำนองครองทำเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีกับกันไปหมดผลี่สุดตัวเองทำชั่วบอกว่าตัวเองทำดีแต่ตามไม่จริงมันทำชั่วชัดเนี่ยอันนี้แล้วว่า เห็นผิดจากทำนองครองทำแต่ว่าต่หลักของพุทธศาสนาด้วยเป็นมิจฉาจิฐทมิจฉาจิตที่นี่น่ากลัวมากในในหลักธรรมคําสอนคือคนเห็นผิดเนี่นะอันนี้ก็คือการทำกรรมทำทางใจมีทำได้สามสามอย่างกรรมสามอย่างโลกปัยาบาดแล้วก็เห็นผิดจากทานองครองทำแต่นีนการกระทำทางกายปะเนี่ยกายของเราได้ทํทำอะไรบ้าง การกระทำทางกายฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมแล้วก็ดื่มสุราอันนี้ก็คือการกระทำทางทางกายมีอยู่4 ส, ส่วนมันวจีกรรมวจีกรรมคือคำพูดการกระทำทางกรรมทางพูดพูดปรพูด ป, พ ด, ปพดพูดสอเสียพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอเอ้ออันนี้ก็คือการกระทำทางวาจา เพราะฉะนั้นโซเฟอร์ตัวนี้นะ่ะคือใจเนี่ยแหละส่งไปทางกายกายก็ทําส่งไปทางวาจาวาจาก็ทําทําอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะฉะนั้นโซเฟอร์เนี่ยทำกรรมในตัวของโซเฟอร์เองทําได้สามทางในเมื่อโซเฟอร์ทําแต่กรรมชั่วคิดชั่วโลภพยาบาท เ, เห็นผิดจากทอนวงกองเถ่าฆ่าสัตว ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมดื่มสุร า, าทางวาจาพูดเท็จพูดส้อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดไร้าสาระหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ก็คือวจีกรรมในเมื่อทํากรรมชั่ว อ, อักกตังทุ ก, กตังเสื่อยโยปัจฉาตปติทุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผล ตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้แหละให้พวกเราฟังเอาไว้จดจําเอาไว้สิ่งที่มันชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเมื่อทําลงไปแล้วเมื่อให้ผลไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีใครอื่นหรอกจะเดือดร้อนตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าเราทํากรกรมดีเมื่อทํากรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีเมื่อทําทํากรรมดีกรรมดีให้ผลตนเองนั้นแหละ จะได้รับความสงบรล่มเย็นเป็น ส, สุขกายสุขใจตลอดเวลาเพราะกรรมดีให้ผลเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตธาญธิรมวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลประกอบคุณงามความดีขอให้พวกเราทําไปเรื่อยๆนะคุณงามความดีบุญกุศลหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วบุญกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้น เหตุนั้นควรสั่งสมคุณงามความดีแล้วก็บาปอากุศลก็เหมือนกันบาปอากุศลคือสิ่งที่มันชั่วอยู่ในใจของเราหนึ่งก็ดีสองก็ดีสกวก็ดีมีอยู่แล้วบาปอากุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นเหตุนั้นควรรีบละออกมันเสียให้หมดความชั่วอย่าทเสียเลยดีกว่าอย่างที่ว่า ดันั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนประกอบคุณงามความดีสัง่งสมบุญกุศลสรุปแล้วคือตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนโลกสวรรค์มีอย่างที่หลวงเจ๊กติอาตมาหลวงพ่อได้พูดได้เล่าให้ฟังนะอันนี้นคือในปัจจุบันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายผี่น้องของหลวงพ่อทั้งหลายที่ท่านได้รู้ได้เห็นแต่หลวงพอ่อไม่ได้เห็นต่อหน้าหรอก แต่หลวงพ่อเชื่อในพี่น้องไปถามเลเนะี่ยเขาก็พูดให้ฟังเดียวนี้เออมันแปลกขาวานนะแปลกจริงๆนะหลวงพ่อนะ่ะนี่แหละอันนี้หลวงพ่อได้อ อ, อยู่ในสถานที่ใดไปสถานที่ใดรู้เห็นเรื่องอะไรที่จะนํามาแนะนําบอกกล่าวให้กับคณะทา ญ, ญาิโยมลูกวานลูกหลานได้ฟังก็บอกกล่าวให้ฟังแล้วก็พร้อมกันนะลูกหลานนะเ อ, อเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนะี่ย เรื่องภาวนาเนี่ยสำคัญกว่าอย่างอื่นเรื่องจิตแต่ภาวนาให้อ่านหนังสือหลวงพ่อนะวิธีการภาวนาทํำยังไงกําหนดลมหายใจเข้าออกยังไงบริกรรมพูดโธพูดโ ท, ดโทยังไงเมื่อจิตใจของเราได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันออกไปจากใจทั้งหมดในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนะมโนปุพังหลวงพ่อยกแล้วยกอีกเพราะว่า พวกเราจะพูดไปที่ไหนก็พูดไปเถอะมันเรื่องของใจนะใจเป็นใหญ่อย่างหลวงพ่อได้พูดวันนี้รถคันนี้คืออะไรรถคันนีนะ้คือโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์เนี่ยโซเฟอร์คืออะไรใจอย่างที่ปิดลวงพ่อเปรียบเทียบก็ว่าใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราถูกถูกทันนะวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหมาม ง, งคลยิ่งท่านผู้การคุณสืบคุณนาย พร้อมลูกๆและกับพวกหลานๆทุกคู่ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญในวันนี้การกล่าวสมโธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพะัะีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วดลายโลกธาตุบุญบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลาย ที่เราเร่รักครบนับถือเลื่อมใสบุญบารมีพระพุทธเจ้าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและบุญบาร ม, มีที่หลวงพ่อได้กล่าวมาขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจสุขกายสุขใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม ก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเธิน